สมมที่เป็นส่วนของการรู้จักตัวเองนะใจสงบแต่ว่าไม่รู้จักตัวเองอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์น้อยนะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุ่งให้เกิดความสงบนะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะแต่ว่าเพื่อให้เราได้ รู้จักตัวเองเรารู้เรื่องอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะแล้วเรารู้จักโลกรู้ช่องทางธรรมาหากินนะเรารู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพนะซึ่งก็สัมพันธ ก, การรู้อะไรต่ออะไรมากมายที่อยู่นอกตัวอันนี้ก็สําคัญอยู่นะแต่ว่าเท่านั้นไม่พอหรอกนะ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 ความรู้ก็เอาไปทำมาหากินได้เอาไปดูแลตัวเองนะให้มีสุขภาพภารณาใหมาด่ดีเอาไปใช้ในการาทำมาหากินมีเงินมีทองมีบ้านมีรถยนต์อาจจะรวมไปถึงทำให้มีคู่ครองมีครอบครัวที่มั่นคงมีงานการที่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 ไม่ต้องใชพนักงานธนาคารแล้วไม่ต้องไปธนาคารด้วยซ้ำโอนเงินทางโทรศัพท์ธนาคารหลายแห่งก็ยุบสาขาอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะมันไม่ใช่เฉพาะพนักงานธนาคารหรอกนะอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะมันก็จะเริ่มแปลเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคง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 มันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความผันปวนแปรปรวนนั่นได้เพราะว่าแม้ความสุขสบายจะลดลงหรือแม้แต่จะป่วยกายนะแต่ว่าถ้าใจเราลักษาไว้ดีก็ยังสุขใจได้นะความสะดวกสบายทางกายลดน้อยถอยลงนะความเสื่อมความชราทางร่างกายเกิดขึ้นแต่ว่าใจ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 แม้แต่ในเวลาที่เราพบประสบกับสิ่งดีๆนะเหตุการณ์ที่พึงปรารถนาเอาง่ายๆเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยแม้เราจะไปเที่ยวนะไปดูหนังฟังเพลงเดินทางไปต่างประเทศนะหรือประสบโชคลาภเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะสุขกายแต่สุกใจอาจจะไม่แน่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 คนที่มาแลกเงินนะไม่ว่าจะเจอวิวชิวทัศที่สวยงามแค่ไหนนะมันก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะอะไรนะเพราะใจใจมันไม่ได้ไปเอ่อไปไปร่วมหรือไปเออออด้วยนะแม้ว่าสิ่งที่เห็นทางตาสิ่งที่ได้อ่ลิ้มรสนะ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 อันนี้บางทีเราก็เอามาใช้กับเวลาที่คนเนี่ยทะเลาะกันคนทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ต่างฝ่ายต่างโทษกันว่าเป็นสาเหตุแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เพราะการที่ทะเลาะกันเนี่ยแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปร่วมมือไปร่วมมือร่วมวงด้วยถ้าสมมติว่าฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบนะมันก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายหนึ่งด่าอีกฝ่ายหนึ่ง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 อันนี้เรียกว่าตกมือข้างเดียวนะมันไม่ดังมันจะดังได้ก็เพราะตกมือด้วยตกมือสองข้างนะก็คือปัจจัยภายนอกก็ดีปัจจัยภายในก็อเอื้อเฟื้อร่วมมือด้วยนั่นจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการที่คนเราจะมีความสุขทางโลกเนี่ยนะจากการเสพการสัมผัสสิ่งดีๆอร่อยๆหรือว่ามีโชคมีลาภก็าตามเนี่ยจิตใจก็สำคัญเราจะมองข้ามจิตใจไม่ได้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 เป็นชิ้นๆเลยนะจีเป็นชิ้นๆเลยตอนนั้นคงทําด้วยความลืมตัวพอรู้ตัวว่าทํำลงไปนะก็ตกใจเลยนะพยายามที่จะเอาอกระดาษรอตเตอี่ที่ถูกเป็นฉีเป็นชิ้นๆมาต่อกันแต่ต่ อ, อยังไงมันก็มันก็ไม่เป็นรอตเตรี่แล้วล่ะจากคนที่ดีใจนะกลายเป็นเสียใจไปเลย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 ลาก่อนความทุกข์ต่อไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้กูไม่ทุกข์แล้วไปได้เลยความจนไปได้เลยความทุกข์พอคิดตรงนี้นะมันก็เผอฉีกเลยนะเผอฉีกนะไอตอนนั้นนะทาด้วยความลืมตัวช่วงเนี่ยมาถึงตัวแล้วนะแต่ว่าใจเนี่ยนะมันไม่มีสติพอใจไม่มีสตินะช่มันก็หลุดลอยไปเลย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 เรื่องใจสำคัญนะเพราะนั้นจึงบอกว่าการที่เรามาเรียนรู้เรื่องตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะและการเรียนรู้เรื่องเรื่องตัวเองเนี่ยนะจะให้ดีต้องเรียนรู้จากการปฏิบัตินะการเรียนรู้เนี่ยมันก็เรียนรู้ได้จากตําราจากคําบรรยายแต่ท่านั้นไม่พอก็ต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติ ด, ด้วยแม้แต่วิชาทางโลกเนี่ยเราจะเรียนจากตําราก็ไม่ได้เราต้องลงมือปฏิบัตินะไม่ว่าเราจะเรียนนะวิชาบัญชี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 มันมีอารมณ์เชืต่างๆมากมายตั้งแต่กไก่เช่นกลุ่มใจนะโกรธกลัวไปจนถึงฮอนุคู่เนี่ยฮืดฮัดนะเราจะมีคําเนี่ยที่ใช้เรียกอธิบายอาการต่างๆของอารมณ์หรือของใจเนี่ยอย่างละเอียดละอ้ อ, อมากตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุคู่เลยนะแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยบางทีก็มีหลายอารมณ์นะเช่นกไก่เนี่ยนะก็หลายอารมณ์นะกลัวโกรธกลุ่มเกลียดนะ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 แต่มันคือใจที่ไม่ยอมรับต่างหากนะถ้าไม่มาสังเกตใจเรานะหรือไม่รู้เรื่องตัวเองนะมันไม่มีทางที่จะเห็นแบบนี้หรอกแต่พอเห็นปุ๊บนี่นะมาเรงเนี่ยมันทําให้เขาทุกข์ใจไม่ได้แล้วและที่จริงมาเรงไม่เคยทําให้เขาทุกข์ใจเลยนะมาเรงมีแต่ทำให้ทุกข์กายเขาเพราะความจริงก็เป็นเพราะใจนะที่วางไว้ผิดใจที่ไม่ยอมรับใจที่ปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับความจริงต่างหา